นะมัต ก, การพระอาจารย์แล้วต้องต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ ะ, คะมควมเมตตาทุกครั้งนะคะเกิดกลับมาเมืองไทยพระอาจารย์จะโทรตามตลอดมีที่ไหนที่ไหนมีนี่ได้ไปเพราะพระอาจารย์โทรตามทุกครั้งแต่ก็พยายาจะมาให้ได้ถ้าเกิดไม่ได้ติดนะคะคราวที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าไปอยู่หาดใหญ่มาหาไม่ได้อ มาตรงนี้ก็ประทับใจนะคะแต่มาเห็นสถานที่โอ้โห oh. <laughs> สบันจริงๆ <laughs> ได้เห็นนั่งดูต้นไม้ใบหญา้าเป็นคนชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติแล้วก็เป็นไม้อีกก็ถูกใจมากเลยทุกอย่างทุกอย่างถูกใจอาจารย์ก็ดีแล้วก็ไปบัตร บ, บางทันมันก็อย่างนี้ค่กคล้ายๆกันนะคะที่ประสบการณ์แต่บางครั้ง ครึ่งวันมีวันที่ว่าแหมเหมือนมันจะรู้ไปหมดเลยนะเออเหมือนมีสัมปชัญญะนะคะมันจะเดินจะนั่งใจกับพริบตาเอียอ้ยววุ้ยทำไมมันรู้ไปหมดเนี่ยนลยว่าเลเอ๊ะมันจะอยู่อย่างนี้กับเราตลอดไหมนะแต่ก็ามาจริงๆก็ไม่อยู่หรอกคะ่ะเพราะงั้นก็เขากดอานิจังทุกขังอนาตานะคะและมีดีมีไม่ดีปิดบ้างถูกบ้างเราอยู่ในโลกใช่ไมะมีสุข ก็คู่กระทุกดำคู่กับขาวสะอาดคู่กับไม่สะอาดเลยล้ายๆกันนะคะเดือนพันได้แล้วเดืนพัได้อะไรแล้วก็ได้ประสบการณ์มากขึ้ น, นะะในการปฏิบัติเพราะว่าไปปฏิบัติกับหลวงพ่อมาจริงๆก็รู้จักท่านมานานแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติเพราะเพราะว่ า, า, วายัางไงแรกๆตอนที่เจอกับท่านเพราะ พาท่านไปที่ท่านติฏฐธรรที่เดียร์พาร์คค่ะก็เป็นคนขับรถพาท่านไปแล้วก็ไปอยู่ที่เดียร์พาร์คด้วยไปกันหลายคนนะคะแต่ตอนนั้นเราทํางานค่ะแล้วท่านนี่ต้องเรียกว่าท่านเป็นพระอาดิจังจะบอกท่านว่าท่านท่าน very spontaneous จะบอกไม่ได้อะปฏิบัติอย่างท่านนี่ไม่ได้เพราะเราต้องทํางานต้องวางแผนลงหน้าใช่ไหมคะ จะหยุดเมื่อไหร่จะกี่วันวันไหนอะไรเงี้ยไม่ได้คือที่ ท, ที่ต้องกระตุ้นคุณจูลี่ให้ได้ก็เพราะว่าในครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวเกี่ยวข้องกับพระมาตลอดการที่มาพบนะตั้งแต่พี่สาวคุณจีตนาคุณรัตนาคุณวิกเตอร์คุณเล็กเนะี่ยเกี่ยวข้องกับพระหมดแล้วก็อุทิศบ้านให้เป็นศูนย์กรรมฐานด้วยแล้วก็ บ, บ้านของตัวเองนี่ก็เรียกว่า อะไรก็ไปกันเด ว, วัดเอางันเดวัในครอบครัวนี้นะ<ม>จะไปสร้างช่วยอาจารย์าารยสัจชัยสร้างวัดได้เป็นวัด อ, <ม>อาจารย์สัจชายก็มาเริ่มต้นที่ที่บ้านนี่แหละไปอยู่บ้านนี้ก่อนไปสร้างวัดอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เลยว่าในการครอบครัวหนึง่งน่าจะมีสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะทําหน้าที่แทนตรงนี้ได้อา mm hmm. มาก็มาเห็นคนอื่นเห็นคุณจูลี่เอาไปมาฝึกไปฝึกมาเห็นว่าความเป็นดั่ความดันดําก็เลยช่นร่างกายจะไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยว่าจะต้อง ดูแลร่างกายแต่บางทีดูแลร่างกายหลายสูตรบางทีไม่ได้ผิดเพราะว่าเพราะพี่สูนรหลายสูตรเกินไปนะร่างกายเลย่ากายเลยผิดเทนเทียนไปอาอจารย์จะบอกว่าโยมไปหลายสํานักด้วย <c ười> คือทุกอย่างแล้วนะคือคเรียกว่าทดลองมาหมดเหมือนอะไรละ่ะพองยุบแต่จริงแล้วพองยุบเนี่ยจะเป็นอันที่ทํามากที่สุดนะคะ พุทโธก็ไปลองสัมมาละหังก็ไปลองนะมะพัฒนโมพุ ท, ธ, พท ธ, ธายะของหลวงพอ่อฤาษีก็ลองอะไรอย่าเ้ ก, กิดเรีกว่าไปลองมาหมดละแต่ก็บอกมีอันนี้หลวงพ่อเทียนก็เจอมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดนะคะหลวงพ่อเทียนยังไม่มีสนามในคือท่านเพิ่งจะมาจากจากเมืองเลยอะ่ะยังพูดกันไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ก็ไปเข้าปฏิบัติกับท่าน แค่แค่เสาวทิตนะคะแต่ก็จะรู้วิธีการปฏิบัตินะคะยกมืออะไรต่างของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะยกได้ดีเพราะว่าเราเห็นท่านโดยตรงแล้วก็มาสนามนายก็ไปค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติเพราะว่าตอนสนามนายเสร็จนี่เราไปทํางานต่างจังหวัดหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียววันานานๆจะได้เข้ามาสักทีก็ จะม า, มาตั้งไปฏิบัติจริงๆเือตอนไปอเมริกาตั้งแต่ตั้งแต่ไปวันที่หนึ่งสิงหาพอหนึ่งกันยาก็ขึ้นไปโน้นค่ะองวัดธรรมสุจิตบิ๊กแบร์แล้วคยไปนั่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปปฏิบัติธรรมนะคะเคอขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวแล้วไปเจอพระสองรูปนั่งทานข้าวกัน เราโอ๊นยน้วเราเเราโยอุปัฏฐาไปไหนเนี่ยบอกก็ไปริวยอกอ้าแล้วไงแล้วปล่อยพระอยู่ตองลูกก็ไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ใช่ไหมก็เพอไปกับพี่สาวก็เลยอยู่อาทิตย์หนึ่งก็อยู่ทําอาหารถวายพระทั้งอาทิตย์ก็นั่งปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีนิมิตแต่วันนั้นหลวงพ่อเฮลลี่ท่านก็พาไปเที่ยวป่า เพ่งาไปอเมริกาใหม่ๆแล้วไม่เคยเห็นต้นไอ้ต้นสนสวยงามและใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมทั้งป่าเลยคือไปทั้งที่มันไม่มีถนนไม่ดีอะถนนลูกลังอะคะ่ะึงหาไม่ค่อยได้ในอเมริกาพอกลับมานี่มันเป็นนิมิตเลยนะคือแล้วก็นั่งสมาธิทุกคืนโอ้ตายแล้วทั้งป่าทั้งป่าไปอยู่ในในนิมิตเราอะนะันก็แปลกดีนิมิตเห็นป่า อเออพอหลับตาเนี่ยเราก็นั่งก็นั่งตองยุบนี่แหละนะคะนานาโตาแล้วป่าขึ้นมาเลยค่ะป่าที่เราเคเห็นมานั่นแหละผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์อ๋อจริงๆแล้วก็คือจิตเราก็เหมือนภาพอะมันเราเห็นอะไรมันก็ประทับไวใช่ไหมคะทีนี้ที่มันประทับใจมากๆเนี่ยแล้วมันก็ออกมาทําให้เราเห็นแค่นั้นเองจริงๆเห็นนิมิตใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเห็นครั้งแรกเลยคือ ที่พุทธมนตร์แล้วตอนั้นมาซื้อบ้านใช่ไหมะคะซื้บ้านพุทธมนตรที่องค์พระเนี่ยยงก็ไปเดินจงกรมบนบนบ น, บนแล้วก็มายืนอยู่หน้าองค์พระแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็เดินแล้วก็มององค์พระพอหลับตาปับ๊บองค์พระสีดำแต่ใ น, นที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีขาวหรือพระพุทธรูปเนี่ยต่างลีลาเนี่ยแต่เป็นสีขาวอยู่ในจิตเราเนี่ย นั่นคือครั้งแรกที่เห็นนิมิตครั้งที่สองก็คือที่อเมริกาแล้วก็ไม่เห็นดีก่ะไม่ค่อยเป็นคนไม่ใช่มีนิมิต e a l i s t i c เป็นคน realistic เสร็จแล้วในจุดนี้นะก็เป็นเหตุที่จะต้องไปที่เขาเรียกว่าเป็นครูเสติที่ LA ลนระ่วกมกับหมอจำนงแล้วก็ตอนนี้คุณอะไรคุณฟกจิมาน อีกคนหนึ่งจะที่ที่จัดงานร่วมกันเพราะในกลุ่เนี้กลุ่มที่จัดในวิธีการวโเทียนในไทยอเมริกาคุณผู้จมัมานหมอจำนงคุณจุลี่ท่า น, นี้โอกาสอันนี้ก็วันทีก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปกันมาเท่านั้นเองจะขออนโมทนาสาธุ้ดยนะต่อไปคุณเล็กเพิ่มเติมอีกจากเมื่อคืนมีอะไรที่ต้องเสริมให้สมบูรณ์จากเมื่อคืน